วันนี้จะเทศให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาวิปัสนาคือความรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอะไรในธาตุในต ใ, ในตัวในตัวของเรานี่แหละตัวตัวของเรานี่แหละ ว่ามันเป็นมาอย่างไงเกิดขึ้นอย่างไงตั้งอยู่อย่งไรดับไปยังไงให้เรามารู้ตัวของเราเองตัวของเราเนี่ยรูปังอานิจังรูปไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทกุกข์ เมื่อเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงรู้เข้าไปสีรูปมันที่มันที่ยงที่ไหนตอนเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งตอนปัจจุบันนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตอนต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไง นี่คือความไม่เที่ยงของรูปมันหมุนไปอยู่ตลอดเวลาก็ให้เรามารู้แจ้งเห็นจริงในความไม่เที่ยงอันนี้แหละความไม่เที่ยงในตัวตนของเรานี่แหละมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันกระดับไปเกิดขึ้นเป็นคนตั้งอยู่ช่วระยะ ก, กาลหนึ่งเวลาหนึง่งในที่สุดก็แตกสลายตายดับไป เนี่ยรูปเป็นอย่างนี้ท่านถึงเอารู ป, ปะรู ป, ปะแปลว่าแตกสลายแตกสลายโดยร้อนด้วยหนาวแตกสลายตายดับเสียงก็เหมือนกันเสียงก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ เมื่อเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นนาตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละรูปไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงโภตภาภะก็ไม่เที่ยงธรรมมาลบก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเมื่อเป็นทุกข์ควรจะยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยพระเจ้าข้านี่มันลกตรงนี้มันลงตรงที่วอาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ถือเอาว่าตัวตนของเรานี่เป็นของเรากี่หลังยั่งยืนจริงๆอย่างจังมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็แตกสลายไป เหมือนฟองน้ำฟองสบู่หรือน้ำข้างบนใบบอนบนใยบัวต้องแสงพระอาทิตย์ก็เห่อแท่งหายไปคนเราเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีก็แตกสลายไปแลวนั่นช่วระยะระยะเวลาแว บ, บเดียวส่นเอง แต่ว่าคนก็ประมาทมากประมาทมากคิดว่าอายุร้อยวันพันปีคิดว่าจะไม่แก่จะไม่ตายเราคิดอย่างนี้แหละเมื่อเราคิดอย่างนี้ก็ความเกิดแก่เก็บตายมันก็มีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีนี่แต่เราคิดว่ามันไม่แก่มันไม่ตายนี่คือความรู้สึกของคนทั่วไปที่ไม่ได้สะดับ เขาทำคำสอนของพุทธเจ้าคิดว่าตัวตนนั้นี้เป็นกิรังยั่งยืนเป็นของของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่แตกสลายไปได้ไม่เคยคิดว่ามันจะตายเลยพอเป็นมะเร็งก็รู้ว่าเราจะตายถึงดิ้นล่นแบบนี้ดิ้นล่นก็ดิ้นหลนหายาหาอะไรมาใส่ใส่มันก็ไม่อยู่เพราะมันจะตายอยู่แล้วอ่ น, น ไม่ได้คิดหาบุญหากุศลหรือหาคุณงามความดีอะไรหรอกคิดเราโอ๊เราก็จะตายแล้ว <c oughs> เราจะตายแล้วตกใจเสียใจบางคนอยู่พอเขาบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละอยู่ได้สามวันตายละ่ะตายก่อนที่ควรจะตายทําไมเป็นงั้นเพราะว่ามันตกใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยพอรู้ว่าตัวจะตายเท่านั้นแหละ ก็กลัวใหญ่เลยวันนี้นั่นแหละแต่เราผู้สดับคําสอนของพุทธเจ้านี้ไม่ตกใจไม่เสียใจไม่กระเทือนใจพอรู้แล้วว่าร่างกายนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องสลายไปแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเรามนุษย์ชาติอย่างนี้ก็แล้วรู้ชาติตามความเป็นจริงที่ความเป็นจริงมันต้องตาย มันต้องตายมันต้องสลายมันต้องแตกมันต้องดับมันต้องวิบัติขาดคล้องไปตามเรื่องของมันเราต้องพิจารณาเห็นเห็นความจริงอันนี้ให้ได้เพราเราจะต้องเกิดจะต้องแกจะต้องเก็บจะต้องตายอีกนัะพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วนถ้าเราไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระริยบุคคลเป็นพระโสดอบัญเป็นพระสกิตาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระอรหัน ถ้าเราไม่ได้บรรลุมรรคผลนี่เอาแน่ไม่ได้ว่าเราจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดไม่ดียังไงเราเอาแน่ไม่ได้เลยเอาแน่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้หรอกบางที่เกิดเป็นคนบางที่ก็เกิดเป็นอย่างอื่นสัตว์อื่นไปไม่แน่นอนชักอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจพิจารณาลงไปที่ตัวเราเนี่แหละตัวเราเนี่ยแหละไม่เที่ยงตัวเราเนี่แหละเป็นทุกข์ตัวเราเนี่แหละเป็นหน้าตา มันเป็นน้ำตาอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่แหละให้ดูอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้เข้ามาดูตัวเองพาดูตัวของเราว่าตัวของเรานี่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปแตกสลายไปแน่นอนไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้ถ้าถ้ามีเกิดต้องมีแก่ต้องมีเก็บต้องมีตาย เกิดแล้วไม่ตายไม่มีเขาบอกว่าให้อายุหมืน่นหมื่นปีมันไปได้ไม่ถึงหมื่นหรอกได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าร้อยปีขึ้นไปก็ถือว่าโอ้ดีมากอายุยืนอันนี้หายากเหมือนกันทุกวันนี่หายากแล้วแต่ก่อนร้อยปีเป็นประมาณร้อยี่สิบปีเป็นประมาณ สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คนอายุร้อยปีถือว่าถึงเกณฑ์ที่จะต้องพัดภาคจากลูกหลานไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อายุคนเก้าสิบปีก็ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าใครมีอายุยืนกว่าเก้าสิบปีคนนั้นก็ถือว่าโชคดีที่จะได้ทำความงามความดีต่อไปอีกอยู่ นี่แหละให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเราเพราะตัวเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ับไปให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเราเนี่ะตัวของเราเนี่มีส่วนที่จะต้องพิจารณาอีกหลายอย่าง แยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตบปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเราแยกออกอย่างนี้ก็ได้เราแยกออกไปผมแยกออกไปขนแยกออกไปเล็บแยกออกไปหนังแยกออกไปเนื้อเอาออกไปตาปอดไส้พุงเออกไปเหลือแต่โครงกระดูกนั่นนี่แหละคือวิปัสนา คือแยกส่วนอต่างๆของร่างกายออกไปไม่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมก็เอาไว้ส่วนหนึ่งขนก็ไว้ส่วนหนึ่งหนังก็ไว้ส่วนหนึ่งเนื้อก็อาไว้ส่วนหนึ่งเล็บก็ไว้ส่วนหนึ่งกระดูกก็ไว้ส่วนหนึ่งนี่เอาไว้คนละส่วนละส่วนตัวตนของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เล็บอยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังอยู่ที่กระดูกหรืออย broccoli, ช hay, ชู่ที่เส้นเอ็นทั้งหมดนั้นไม่ให้คาตอบเราได้หรอก ว่านี้แหละข้าพเจ้านี่แหละคือตัวของเราไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นให้พิจารณาลงไปว่าตัวของเรานี่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องแยกออกแยกออกแยกส่วนออกไม่ให้ตั้งรวมกันอยู่ได้ไม่ให้รวมกันเราเราอยู่ที่ไหนวะนี่เราอยู่ที่ผมเราอยู่ที่ขนเราอยู่ที่เล็บเราอยู่ที่หนังเราอยู่ที่เนื้อเหนือ รือเราอยู่ที่กระดูกระดูมันก็ไม่ให้คำตอบว่ามันคือเรานี่แหละเพราะฉะนั้นให้ที่จะนาลงไปพี่นาลงไปในตัวของเรานี่แหละแยกส่วนออกไปแยกออกจากกันเมื่อเราแยกออกจากกันนี่เราก็จะเห็นความจริงอันหนึ่ง คือความไม่มีตัวตนในทั้งหมดนั้นไม่มีตัวตนอันนี้เป็นตัวเป็นตนผมเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมถ้าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ต้องงอกท้องขาวละสิเราต้องการให้มันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเราบังคับบัญชามันไม่ได้เนื้อหนังก็เหมือนกัน บอกว่ามันจัเหี่ยวย่นนะต้องสวยอยู่เหมือนเดิมตลอดการมันกลับเป็นไปอีกอย่างหนึ่งนันก็เหี่ยวย่นไปแก่เท่าไปชราไปนั่นเราบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังสั่งสอนไม่อบรมอบรมไม่เอาความสอนยังไงก็ไม่ได้เพราะอยาแก่นะหาเครื่องออประเทืองประทินผิวอะไรต่างๆมาลูปมาทามาขัดมาสี ให้มันสวยอยู่เหมือนเดิมมันก็ยังสลายไปอยู่นี่มันยังแก่ยังเท่าอยู่มันยังมีเิ้วรอยอยู่มันก็ยังรักษาความแก่ของมันไว้ต่อไปอยู่ถึงจะเอาอะไรมาทามาแปะมาติดอะไรก็ตามเถอติดไปทาไปก็ไม่นานใ้วันหนึ่งวันหลังมาก็ติดอีกทาอีกกบไว้ไม่ให้เห็นความแก่ไม่เห็นความสลายไม่เห็นความ เป็นไปของมันนี่เราพิจารณาดูให้ดีนี่แหละคือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายละความไม่เที่ยงมันเห็นชัดเจนเก้าสิบปีร้อยปีนี่โอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกความสาวไม่มีเหลืออยู่ความหนุ่มมันไม่มีเหลืออยู่มันสลายหมดนี่คือความแก่ความเท่าแหละต้องยอมรับกันแล้วถึงตอนนั้น แต่ตอนนี้อาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราเรายังสาวอยู่เรายังรุ่นอยู่ยังงามอยู่แต่เราไม่ได้คิดต่อไปว่าเมื่ออีกห้าสิบหกสิบปีข้างหน้าล่ะเราจะเป็นยังไงเราจะยังเหลือความสาวความสวยอยู่หรือเปล่านี่แหละนี่ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละเพราะตัวเรานี่หลาจะต้องแก่ตัวเรานี่เราจะต้องเก็บ ตัวเรานี่เราจะต้องตายเกิดแก่เก็บตายคือตัวของเราให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเห็นความจริงไม่ใช่พิจารณาเพื่ออย่างอื่นหรอกให้เห็นความจริงว่าตัวตนของเรานี่มันแตกสลายไปได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้คงตัวอยู่เหมือนเดิม ถ้าคงตัวอยู่เหมือนเดิมเราก็เป็นเด็กกันทุกคนเพราะข อ, อ, อกมาก็เป็นเด็กก่อนตัวเรี่รรงแดงๆอยู่นั่นแ่ะแต่พอมันอีก5้าปี1ิปีมันเปลี่ยนไปแล้วเลือนได้วิ่งได้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กแดงๆมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นให้พิรณารูปก็เป็นอันิีจัง เสียงก็เป็นอ น, นิจจังกินก็เป็นอ น, นิจจังรถก็เป็นอ น, นิจจังโหพภะคือความถูกต้องก็เป็นอ น, นิจจังธรรมารมเครื่องที่ใจรับรู้ก็เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยง เสียงก็ไม่เที่ยงกินก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงโหพภะก็ไม่เที่ยงธรรมาลมก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยง ตัวตนของเราก็ไม่เที่ยงนี่ทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดมันดับทุกวันทุกวลานาทีมันแตกดับไปตลอดเกิดขึ้นแตกตั้งอยู่ดับไปแตก เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแตกสลายไปอยู่ตลอดใครเป็นผู้เป็นอย่างนั้นตัวเราเนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะวิจาณาเข้ามาที่ตัวเราเอาตัวเราเป็นหลักที่ารณาที่ตัวเราเป็นหลักตัวเรานี่แหละถ่าเอาเนื้อหนังออกแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกนี่แหละไอพิจารณาอย่างนี้ความเป็นความตายก็ปรากฏชัดเจน เราอย่าคิดว่าเราจะมีอายุยืนร้อยวันพันปีมันไม่อยู่พันนั่นหรอกอยู่ส่วนระยะ ก, กาดหนึ่งท่นเองแวบบเดียวเราก็จากกันไปแล้วเพราะยังการปฏิบัติธรรมจะมีความจําเป็นถ้าเราได้มากได้ผลแล้วนี่มันก็สบายถ้าเราได้มากได้ผลแล้วมันก็มีความหวังแหะเกิดมาชาตินี้ไม่ผิดหวัง แต่ถ้าไม่ได้มักได้ผลเนี่ยเกิดขึ้นมาชาตินี้มันผิดหวังแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้มาเกิดอีกไม่รู้เมื่อไหร่เราจะมาได้มาเป็นคนอย่างนี้อีกได้พบพระพุทธศาสนาอีกได้พบครูบาอาจารย์สั่งสอนอีกหรือพบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธจเจ้าอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหอไร่ในเวลานั้นถ้าเราเกิดขึ้นมาเป็นคนอีกเราจะมีศรัทธานในพระรัตนาตรัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีศรัทธานในพระรตัตนตรัยคือพพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ไม่ศรัทธานในคําสอนของพุทธเจ้าแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักไม่มีเลยเกิดมากินข้าวในโลกนี้เสียเปล่าเกิดมาเพื่อตายเล่นเฉยๆนั่นเกิดมาอยู่ห้าสิบหกสิบปีเจ็สิบปีแปดสิบปีร้อยปีตายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่แหละถ้าเราไม่มีมากมีผลนี่มันเสียประโยชน์ที่สุดเสียเวลาที่สุดเราต้องเอาให้มันได้ทําให้มันได้ทำให้มันเข้าใจ พี่นาลงไปที่ตัวของเราพี่นาเห็นแจ้งเห็นจริงประจักษ์ขึ้นมาในตัวของเรา ừ. เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นไป